ท่านก็ให้รักษาสินสัมมนเนนคือรักษาสินส0คือสินของสัมมนเนนในเมื่อเราครบอายุ20รู้นิติภาวะเป็นผู้ใหญ่แล้วท่านก็ให้รักษาสินสองอีอันนี้คือสินของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจากนั้นก็เมื่อมีสินมีกฎมีระเบียบการอยู่ด้วยกันศรัทธาญาติโยมก็คือสินห้า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 ผลที่สุดก็นะเป็นความสุขที่ไม่จิรังถาวรไม่ไม่มีความสุขที่แท้จริงเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านปฏิบัติเพื่อมักเพื่อผลเพื่อมักผลนผิพพานนะการกล่าวสำมูทธนิยกถาวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุตนะิต่อไปในเปิด MP3 สา ให้คณะจตหาญาดโยมฟังหนึ่งดูซิเพื่อการศึกษาเอาพวกเรานั่งสมาธิระนาที่นี่นะ